239ทเวนิศสารนาทิกถาว่าด้วยนิสารนาสองอย่างเป็นต้นเรื่องบุคคลที่ถูกขับออกไปดีและบุคคลที่ถูกขับออกไปไม่ดี395ภิกษุทั้งหลายนิสารนาการขับออกจากหมู่มีสองอย่างนี้ คือภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ยังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกไปบางคนเป็นอันถูกขับออกดีแล้วก็มีบางคนเป็นอันถูกขับออกไม่ดีก็มี 1. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ยังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกเป็นอันขับออกไม่ดี เป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติถ้าสงฆ์ขับบุคคล น, นั้นออกเป็นอันขับออกไม่ดีบุคคลประเภทนี้เรียกว่ายังไม่ถูกขับออกถ้าสงฆ์ขับบุคคล น, นั้นออกเป็นอันขับออกไม่ดี 2. ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลที่ยังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกเป็นอันขับออกดีแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัติมากต้องอาบัตกําหนดไม่ได้อยู่คลุกคลีกับคฤือหัดด้วยการคลุกคลีนไม่ควร ถ้าสงขับบุคคล น, นั้นออกเป็นอันขับออกดีแล้วบุคคลประเภทนี้เรียกว่ายังไม่ถูกขับออกแต่ถ้าสงขับบุคคล น, นั้นออกเป็นอันขับออกดีแล้ว